บุ๊กทูสิเก้า The w uh i ในห้องครัว v o k u c h i n y คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ Imas novo kuchnyo วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะคายเ e l i ชดานส์สคูคคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร k u ูคาชนาอ เ, เล็กทริคออลีนาทลีนดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะไนนาเรเจมเชบูล o ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะนายอลูพิมครอม p พ r รดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะนา i อ p e r e m solato แก้วน้ำอยู่ที่ไหนเคส so โ o s a r c i จานชามอยู่ที่ไหน คีเย่ o ัสดาช้อนซ้อมและมีดอยู่ที่ไหนเย่เยพริบคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะอิมัชอตพ r a าชザคอนเซอร์คุณมีที่เปิดขวดไหมคะอิมัชอตพ r a าชザสเต kle นิตเซ คุณมีที่ดึงจุกกอ๊อกไหมคะ Imaj otpiraj z a z a m a s k e คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Kukash uko vtem lonzu คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Peches ribo vte ponvi คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Prašil zelenjavo na tim jaru. ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Pri pravljem mizo. นี่คือมีดส้อมและชอน Tu kaj s noži, vilice in žlice. นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก。